มันเนี่ยนับว่าเป็นวั่นมูรพาอาจารย์แล้อ ว, ว่าเป็นวันพ่อแม่คู่บาอาจารย์พ่อหลวงปูหมันของพวกเข้าโยนในทีนฐานบ่อหางไกจากพวกเข้านางอยู่เดี๋ยวนี้ถือว่าวันนี้เป็นวันหนึ่งมีเกี่ยวภาพเพิ่นได้เสียสะละที่ดินเนี่ยตรงที่เข้านางเนี่ยไรหนึ่งฮะแล้วก็เพิ่นได้สร้างอาคารขึ้นมาอีก จะรวมกันสร้างอาคารขึ้นมาแล้วก็เปสร้างขึ้นมาแล้วก็เพื่อบรรจุหรือว่าปฏิสถานรวบหลวงปู่เสาหลวงปู่มันการหลวงปู่ฝันแล้วก็หลวงตามหาบัวที่เป็นใหม่ซักมีพุทธปฏิมากรเป็นประท่านอยู่ทั้งหนาของพวกเข้าแล้วก็เพื่อต่อไปไ พ, พ่ภาคนาคธนว่ามีทราบ ป, ปนกิจทราบบาทั้ง ขวาเมื่อของหลวงพ่อเนี่ยเป็นป้าชาของหมู่บ้านคือหมู่บ้านทุกหมู่บ้านก็ต้องมีป้าชาภายในเมื่อมีข้นมาชาปนกิจมีมีการล่มการตายเกิดขึ้นก็จะได้มาชาปนกิจแล้วก็จะมาฟังเทศฟังถ้ำมองนี่แล้วก็ได้มาทําบุญหนอมองนี้แล้วก็ได้มา ก, กาับเห็นหลวงปู่เสาหลวงปู่หมัน หลวงปูฝันคู่บายจานที่เป็นเกจิที่เป็นพระมาจารย์ในประเทศไทยของเข้าแต่ทราบว่าหลวงปูหมันของพวกเขาเนิพนเกิดจุบันค่าบงตะกรอนกระขืนตอของเจียมแต่คูมือนีิพนว่าขืนมาอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีแต่พนพ่อบวชแล้ว เพิ่นกับยูนั้นก็หลวงปู่เสารหลวงปู่เสาเนี่ยเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ที่เป็นอาจารย์ของหลวงปู่หมันแต่เพิ่นศึกษาจากสาอันนี้ก็ะบ่กชัดเจนเพราะว่าเพิ่นบอกมีไล้หลักอักษรในตัวหนังสือเหมือนกระยุคของพวกเฮาแต่เพิ่นก็คงได้ศึกษาจากพ่อแม่คูบาอาจารย์ของเพิ่นคือกันจากนั้นเพื่อได้ศึกษาแล้วเพิ่นก็นมาในถิ่นดี หลวงปู่หมันของเข้าก็เป็นนมกัเห็นคู่บายยานที่น่ารักเคารพนับถือเพิ่นก็ได้ขอบวชกับหลวงปู่สาพ่อบวชแล้วหลวงปู่สาวก็พาเดินทุ้ลงไปใ น, นสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างบ้านของหลวงพ่อเนี่ยอำเภอขัมชะอีจังวัดจังวัดมุกดาหารนี่แหละหลวงปู่สาวหลวงปู่หมันขึ้นไปถึงพุ่น ไปอยู่ในถรมผู้พระกูดแล้วก็ไปอยู่บ้านห่วยไสย้วัดน้องหนอ ง, นองที่นี่หลวงปู่สาวกับหลวงปู่มันหลวงปู่สาวจะเป็นพระที่นิ่งเงียบจริญามัลยาทเพิ่นจะบกคอยเว่าลคอยพูดบกค่อยแสดงแต่หลวงปู่มันเป็นผู้มีไหวพริบปัญญาของแข ว, ว, งว่งว่องวหลวงปู่มันเนี่ยเป็นผู้ถ้าจะว่าไปหลวงปู่สาวเป็นหลักหลวงปู่มัน เป็นผูแสดงออกบอกกล่าวญาติโยมญาตโยมก็รู้จักมากแต่หลวงปู่เสาร์นี่ยท่านหนึ่งหนึ่งเงียบเงียบแต่ท่านก็แนะนําหลวงปู่มันหลวงปู่มันก็ได้ความรู้ความฉลาดจากองค์หลวงปู่เสาร์แค่ว่าถือว่าหลวงปู่เสาร์เป็นลักเรียกว่าเป็นที่เคารพนับถือของเปิร์นเป็นอาจารย์ของหลวงปู่มันพ่อต่อมา งทั้งสององค์เนี่ยถ้าจะว่าไปเลยก็ไปด้วยกันไปในสถานที่ต่างๆนั่นๆจะได้แยกกันแยกกันอยู่แต่ว่าพ่อละโค้งหากะารดกอันนี้ก็คือเป็นแนวแถวที่พ่อแม่ผูบาอาจารย์ในยุคสมัยนั้นที่ยังมีผูบาอาจารย์ที่เป็นพึกแผน่นจากนั้นกดไปด้วยกันเทศนาว่าการแต่โดยเฉพาะยางยิ่ง ท่านไปที่อำเภอคําฉี่อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวไปหล่ขังไปหลายหล่รอบรอบสุดท้ายนี่ก็ท่านเอาง่อมแม่ของเพินินหลวงปูมันเนี่เอาย่อมแม่ของเพินินคือบวชแล้วกันู่นเกนไปทั้งอำเจังหวัดนครพนมนมุ่มไปทั้งหนองสามผงหลงพันเนา่าอำเภอศรี ส, สงขลามจากนั้นก็ให้เช่าบ้านไปถึงบ้านนี่เขาก็มีสาแหลกเปิดนมีสาแหลกนะหาบ หามหามย่อมแม่เพลนโยมแม่หลวงปู่มันเพ่าหลวงแม่หลวงปู่มันตัวน้อยอผอมและก็มาผักอยู่บ้านห่วยไสย้สมัยนั้นโยมยาของหลวงพ่อเนี่เห็นแต่ว่าหลวงปู่มันเนี่เป็นผูมีกระตันยู่กะตะเวทิตาถึงเพลนจะเป็นพระธุรงกรรมฐานยึดเที่ยวอยู่ปลาหงพงไพ่ขนาดไหนเพลนก็บรรลุมบรรืมแม่ของเพลน ได้มาแนะนํสาสั่งสอนแม่องเพลินน้ำแม่องเพิินบวชเป็นแม่ชีแล้วก็ไปยังที่หลวงพ่อเด็กล่าวแล้วก็ขากลับมาเนี่ยเพลินก็คงจะรู้ว่าชีวิตของแม่องเพิินนี่คงจะถึงกำหนดแล้วเพิ่นก็เลยเอามาจากคุณอะหามกันมาเป็นทอดเป็นทอดเป็นทอดมากจนมาถึงบ้านหวยทรายที่บ้านของที่บ้านของหลวงพ่ออยู่เนี่ยบ้านหวยทรายอาเภอขัมฉี่ในบ้านหลวงปู่จามอยู่เดียวนี้แ่ะ พลมาพักยูหันแต่ในคณะที่มาพักยูหันน่ะตอนเช่ามาพนจะปีบินทบาทกับคณะสงฆ์คณะสงฆ์กับมีเนี่ยหลวงปู่ฝันหลวงปู่เทศหลวงปู่เขาหลวงปู่ชอบหลวงปู่ต่างๆในยุคสมัย น, นั้นคือเพนจะไปใส่คู่บายอาจารย์เราเนี่จะติดตามพนตลอดทราบว่าสมัยหนึ่งทีมมาอยู่บา้านหอยทรายโยมยาของหลวงพ่อนี่ได้ออกฟังว่าบอกหอยฟังว่า ลูกศิษย์ลงปู่สาวลงปู่มันสมัยนั้นถึงเจ็ดสิบองคนี่แหละสมัยนั้นพอแม่ไอ้ยม่มปู่ย่อมยาของหลวงพ่อเนี่ยเอิญลงปู่เทศเอิญกูบาเทพแห่งกูบาเทพกูบาฝันกูบาขาวกูบาซอกไคกูบาจะว่ายังเป็นพระนมอยู่ติดตามลงปู่มันในยุคสมัยนั้นเดี๋ยวนี้ก็เป็นลงปู่ลงตาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นแต่นั้น ถึงพระเก็ดชิบองสมัยนั้นบมแมนของหน่อยที่บินทบาติไอหลวงพ่อก็ได้ถาม่าย่งยาเอาอย่างเหรียงถวายเพลนละพระลายปันน่ณเพลนว่าบ่มีอย่างแล้วไม่แต่มักมีนะแกงมักมีเอใส่ยานางเน่ยแหละใส่ปลาแดกปลาลาเข้าธรรมาดานี่แล้วเพ่นก็สันดีอย่ด้มดเพรนสด้เพราะเหตไใดกับเพราสมัยนั้นไม่แต่กูบัน ผูา้าดนมๆเลยอย่งกรสันก็ะแสบมัดกุดทุกแนวนพรเป็นยังเป็นยังหน่อยหนุม่มนี่แหละอันนี้คือหยาดยมในยุคสมัยนั้นเขาเห็นคู่บานจานมาเขาเคารบนับถือเรือมใส้แต่หลวงปู่มันนี่ท่านไปอยู่ในสถานที่นั่นเพิ่นสอนยังไงหลวงพ่อก็ได้ถามยมปูย่ยมยาในยมย า, ามเนี่ยทำเพิ้นสอนให้ถือพระไตรสรณค่อมเพิ่นยึดท่านนี่พวกทูตเจ้าทางหลายเน่าบ่ต้องญานดอกผีนะ คือสมัยนะั้นพวกเผาผู้ไทยเนี่ยเนผะาผู้ไทอัเพื่อคําศซีน้องสูงเนะี่ยเขาถือผีไดก่อนจะออกจากบ้านเนะี่ยเขาจะตมผุ้มผภูมผ้ามเออเอ้ ย, อยไปก่อนเดอ้เอเจ้าบ้านเจ้าเพืนนะ่อนไหนรักษาบ้านรักษาเพื่อนแกจมไม่ะช่ละพอกลับมา ก, ก็ต้องมัดขอบอ่มามัดขอบผีผีเพื่อนหลวงปู่หมันเป็นเห็นนะโอ้โหเผาู้ไทเนะี่ถือผียางเข็มงวดกวดขันนี่ดีถึงเดือนสามมากจะมีการเล่าไอ้ร่ำ เห่าวคนนะ่ะเขาเร็ดเหยาวคนนะ่ะล่องล่งห่านแล้วก็เอาเรียงเอาผีมาเรียงกันเออไม่เหยากันเอามาหลอกล่ำขนาดเหาื่อผีกันไปแต่ที่นี่หลวงปู่หมันเป็นว่าพวกนี้มันถือผีเออสู้เจ้าทางหลายอย่าไปถือเรือผีเนะ่ยเพราะผีเนะี่ยมันมั่วมีสรณะมันมีหายโทษและหายคุณ้นคันหาว่าเฮาเฮ็ดดีกับมันมันกลายคุ้นคันเท่าบ่เฮ็ดดีให้มันมันกลายโทษ เออมันจะทดแทแต่ใจมันเพราะปัญใจมันมีกิเลสผีมันมีกิเลสให้เอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หนึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้มดยดจากกิเลสยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งนั่นดีเลิศประเสริฐกว่าอย่าไปถืออย่าไปถือผีเออว่ต้ อ, ตองญาตเอาเดี๋ยวห้อเสียหายพระไตรชนอคมพุทธทั้งธรรมมั่งสังข่งสารานั่งคัจฉามิ ให้ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาสนาเป็นที่พึ่งเพต้องพูดถึงพวกฮานพวกยังโยนทิพย์เฮฟตหลวงปูหมันไปสอนพวกผู้ไทยเรานังก็เสือเสือหลวงปูหมันพราะเสือเราหลวงปูหมั่น ก, นสกน็สู้จะไปกินของดิบคลองใดายได้สูจะไปกินของดิบได้กันกินของดิบผีบวญให้กูให้กินของซุอแล้วก็ให้ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นศาสนาเป็นที่พึ่งก้อนรับก้อนนอด ห, หายวายพระทุกขังนะ มีไหวพระถึงจะมีพระพุทธรูปป้มีกระตับให้ซู่เจ้าหันหัวไปทั้งที่สู่นอนคุณเจ้านอนะให้ไหวพระคู่มือให้หยึดพุทธเห็นว่า阿拉หังสวาคาโตสุปฏิปโนนโมทัสสะพุทธทั้งธรรมมั่งสังข้างสาระาั่งคัจฉามิยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสนานะเป็นที่พึงแล้วผีสางนา่งหม่เขาบ่าม่าเขาบ่าม่าใ ก, ก่ทั้งนั้นมีแต่คุณงามความดีมิแต่เท ว, วดาเขามาหา ผีปอบผีกาเนี่ยญ่านเฮาทั้งหมดพอเฮาหยุดพระพุทธิเจ้าพระธรรมพระสงค์พอได้สู้เจ้าพระตองจิตอย่างอืน่นเนาอันนี้คือหลวงปู่หมันผนสอนะณะท่าญาติโยมปู่ยาตายายของหลูกพอ่อปู่ยาตายายพอจะหยุดพระพุทธิเจ้าพระธรรมพระสงค์เป็นสธารณะเป็นที่พึงอย่างที่ว่าอย่างเข้มงวดกวนถือมากระตั่งทุกวันนี่แต่พระยังสอนอีกว่าถ้าเป็นไปได้สู้เจ้าอย่าไปกินเหล่าเน่า นะถ้ากินเหล่พพาพระไตรชลนะคมมันขาดเพราะมันขาดสติเพราะมันขาดสติแล้วพระไตรก็ขาดไปน้าเพราะนั้นอย่า ก, กินเหล่านะอันนี้เพื่นก็สอนแต่โดยมากมันก็ฟั่งบางบาฟั่งบา ง, บางจุดนี่นะแต่ทะนี้เพื่นก็ไปไ ป, ไปมา่าม่าในทีนนะั้นไปหลายรอบเอในทีนนะั้นเพราะขั้งสุดไทยหรืออย่างที่หลวงพ่อนิวาเพื่นมาจากสามผงอเมือสามผงหลวงพันเน่าอเมือสีสงขลามหาบ หาแม่เป็นมาเป็นถอดถอดถอดจนมาถึงบั้นหวยไส้พอถึงบั้นหวยทร้สิเด็กเพิ่นเอาแม่เพิ่นไหวไหวในกระสอบหลังหนึ่งแล้วเพิ่นพระสงฆ์ก็อยู่อีกกลุ่มหนึ่งหลวงปู่หมันเนี่ยเพิ่นรักเข้าหลงคุ้นแม่ของเพิ่นนะเพิ่นแสดงความกตัญญูกับตะเวทีตาต่อแม่ของเพิ่นเวลาเพิ่นไปบินทบาทกลับมาแล้วเพิ่นเพิ่นสิงยางเข้าไปเนียหาแม่เพิ่นก่อนเด้เออ บาทพระพระทิพห์ฮบบาดงอู้มบาทเขาไปน้าเพลินอะ่ะเขาไปเพิินกระิจกเลือกเลือกอาหารที่ที่แม่เพลินสิกินได้อ่านไหนพอแม่เพลินจิกินได้อาหารเป็นปิ่งเป็นไออย่างที่แม่เพลินจิกินได้เพลินขูดจัก <í ls> เพกเลิน ก, <ๆ><ๆ>ก็เลือกเลือกเลือกให้แม่เพลิน <í ls> <í ls> พอเลือกให้แม่เจ๊ละเพิินกัย <í ls> ่างกับมหาหมูพระสงฆ์พระสงฆ์มากอ่ะฉันอาหารพระกระแบงจากกลุ่มพระสงฆ์อีก ใส่ถั่วใส่ยังไปฝากแม่พันเอกคืออาหารเทียงเพิ่นให้แม่พันกินอาหารเชร้าและเทียงพบแม่พันเป็นแม่ชีนะเอี่ยนะครับ่ได้กินตอนแรกแต่ว่าตอนเศร้าได้กินแต่เศร้ากรมูอ่ะแล้วก็ตอนเทียงเพิ่นกนใ็ให้ให้ช่วงอาหารไปอีกอันนี้แหละคือหลวงปูหมัดที่เพิ่นดูแลแม่ของเพิ่นอันนี้หลวงพ่อทราบมาจากใส่คือทราบมาจากโยมยาของหลวงพ่อเออหลวงพ่อเออเอพราะว่า ก่อนล่วงยมยาจะจากไปนี่ยหลายปีหลวงพ่อก็เดยถามประวัติของโยมยาวะในหลวงปู่หมันเปิดเป็นมากจะได้หงปู่เสาอยู่จังใดกูบาอาจารย์อยู่จังไดไอ้เพิ่นก็บอกให้ฟังบ้านหนึหน่งที่มีวัดของหลวงปู่หมันอยู่สามสมสวัดอยู่ในอ้อมบ้านเลที่เพิ่นอยู่ปีนี้มาอยู่ขางหนึ่งปีนึงปีนึงมก็มาอยู่ขางหนึ่งพระสงฆ์แต่วัดหนองหนองเนี่ยอยู่ถึงสามปีมีหลวงปู่ฝั น, นยอยู่มากกว่ามูม แต่นี่พเพราะว่าจันทร์ดูแหละโยมยาของหลวงพ่อพนก็บอยฟังว่าเห็นหลวงปู่หมันปฏิบัติแม่เป็นจันทร์เอ้พนไปยัางพนยังเข่าไปยัางย่ามปินทบาตกลับมาที่ไหนได้พนไปเลือกอาหารให้ให้แม่พนเอ้ผู้ขาก็เลยเห็นในสันผู้ขาก็หนึ่งเขาแต่แต่เ่าร์หนึ่งเขาห่อนห่อนแล้วก็มีปิ่งปลาปิ่งนกสัมไว้นั่นมันอาหารปลามันหลาย เปลี่ยนไปหายเพิ่นแต่เศ้าเลยพอกปิี่ยนตับปิี่ยนยังไปหายเพิ่นไปหาคุณแม่ของหลวงปูหมันเพิ่นก็ได้ท่านท่านท่า น, านอาหารไอ้ที่แม่ยมยาเนณเอาไปหาไปถวายเพิ่นมาหาหลวงปูหมันไปไปบอกเออแม่แดงเอามา้าหายแม่กินแล้วน่าู้ก็ไอ้พระตองเอามาดอกเอพิ่นนี่แม่กินแล้วมื่อเนี่ยอันนี้ก็คือ หลวงโยมยาพันเบาให้ฟั่งจนคณะที่พนญูหันโยมยาไปคู่มือเอาอาหารไปให้โยมมั่นดาของหลวงปู่มัทจากนั้นกับเพิ่นกระด้นใายจากบ้านหอยไสย้แล้วก็โยมปูกระเด็เอาเกวียนสามสี่เหล่บใส่บริขารพระแล้วก็โ ย, ยมยายโยมแม่ของเพลนกระามคืนเก่า หาบันนี่ทรงบันานั่านหาบันนั่นทรงบันานั่นหามไปต่อเป็นทอดเป็นทอดไปอันนี้ก็คือจนถึงมาถึงยะโสท่อนในข้าวนั่นลวงปูจาที่เป็นที่เป็นลูกของโยมยาของหลวงพ่อเนี่ยเป็นอายุอาสิบสี่ปีติดตามมากับปูมากับพ่อพอมาถึงยะโถท่อนเนี่ยเป็นกรใหพวกเวียนกับ เราหลวมปู่น่ยก็เลยฝากลูกไส้กับหลวงปู่มัน่นพ่อฝากไปขอฝากไปครับคู่บาอาจารย์หลวงปู่มัน่นฮะบอรับคนนั้เนีหลวงปู่ม่รับการหลวงปู่สิงคันแต่ยากขาโมกันวาบอไม่บอไม่คืบบบอหม่ออกไปหาเพิ่อนไหมบอกว่าขอมอบกายถวรรคชีวิตต่อองค์หลวงปู่ล้มมอบให้หลวงปู่มัดทุกอย่างสิขาสิตีสีแยงกันมอบไปหลวงปู่มัด ลูกของขน้อยนี่แหะให้วาจังสิบานนี่โยมปูเขาได้เข้าไปบอกหลวงพ่อเออเอาขันเป็นสันสิรับนี่แหละเพื่อนในรับเน้นจามสมัยอายุสิบสี่ปีปานนั่นเนยพอแม่ผู้บาดจันสมัยเก่าขันว่าสิรับจังสี่ก็มอบกายถวายชีวิตเพินแต่บางที่มันมีอยังเกิดขึ้นขึ้นมากภาสีรับร่องชีวิตของแต่ละแต่ละคนใดเหม็นบ่ล่ะเพราะนั้นเพิ่นยังมอบไปีมดเพื่นยังคอยหลับ นี่นแหละหลวงปู่จาง ก, ก็ได้บวชเป็นเน่นสมัยนั้นอายุสิบสี่ปีบวชกับนี่แหละหลวงปู่ชิมพุทธาจาโรเนะี่ยหลวงปู่ชิมเป็นเน่นใหญ่หลวงปู่จางเป็นเน่นน้อยจากนั้นเพลินก็บออมาโยมหลวงปู่มันเพิ่งเกิดมาเป็นทอดๆจนมาหอดบ้านเพลินนะบ้านขํามบงเอสาบวาจังสันหนะลวงพ่อก็เพื่ว่ามาเ ม, มาถึงบ้านเพลินนะ มาเพิ่งถึงบ้านเพิ่งแม่เพิ่งกระบ น, น่านเพิ่งก็เล่นละสังขารมรณะภาพพ่อมรณะภาพพระสงฆ์ทั้งหลายจะช่วยกันไปชุ่มเพิ่งเผาศพโยมมัรดาของเพิ่นพ่อยโยมบรรดาเผาเซทนานะ่ะหลวงปู่มันขโมยหนีเนี่ยมาขึ้นมาเนี่พ่อญาตมื่อเศ้ามาเห็นแต่หม่องบาดเนี่ยหวงปู่มันจักไปใส่บาดเนี่ยพวกพาติมานโยนั่นของง่วงง้างเปิ้ลโมบอกไพ่เนีว่าเพิ่งจะไปใส่ ปลาแล่กัต่างค้นก็ต่างหาเดาไปเดามากเี่ที่แทนลงปูมันลงไปจังหวัดอุบลคนะน่ะยางลงไปแล้วไปนครราชสีมาพอไปหอดในสีมาเนี่ยกับางขึ้นได้รถขึ้นรถไฟปีนั้นไปจำพรรษาอยู่วัดสะปะทุมหลงปูมันจากนั่นก็ไปศึกษากับคุณอุปาลีคนู ป, ประมาจารวัดหมอลมในวัด พอออกพรรษาแล้วเพื่นก็ขึ้นไปทั้งเชียงใหม่เลยนางรถไปทั้งเชียงใหม่ไปยูวัดเจดีหลวงจากนั่นคู่บาจานันหลวงปูฝันหลวงปูขาวหลวงปูต่างหลวงปูพ่อมหลวงปูต่างๆนี่หลวงปูเทศทราบว่าเพื่อนอยู่ทั้งฝุ่นกันน่แหละพ่อนกันทั้งยางยางรัดเลยจากอุดรก็ไปเพชรบูรณ์ขึ้นไปทั้งพิจุนโลกขึ้นไปยูน้ำหลวงปูมันในยุคสมัยนั้นไปด้วยความยากลาบาก ไปศึกษาธรรมะเนี่ยอันนี้แหละคือปฏิปทาธหรือว่าหลวงปู่หมันทึงทึงจวบไปโด่งดังทางอีสานเหนือยังใกล้ๆวัดหลวงพอ่อขึ้นกันวัดอำเภอนายยงจังหวัดอุดอรนะอำเภอน้าสมเมื่อแปดสิบปีใหยหลังบ้านเมืองยังว่าจะเริ่อนย่างมากๆแต่หลวงปู่หมันไปทุกหัวะไะแห่งไปอยู่ันจังว่ามีถรรหลวงปู่หมัน อยู่ในธรรมเสือกะลายัยางกระไรแต่ว่าหลวงปูหมันของเข้าเป็นพระที่เสี่ยงต่ออุปสรรคหน้านักปะการไปทั่วทุกอหอหัวและแหงง่งของอีสานยังข้ามไปประเทศลาวอีกต่างหากเพราะฉนั้นกิจติทัพของพลยังโดง่งโด่งดังแต่ท่านจะเน้นนักเรื่องการสอนการสอนหลวงปูหมันท่านจะสอนสําหรับพระเนี่มากกว่าสอนกระวะงาญโนยมท่านจะเน้นเรื่องพระ ที่ศึกษาใดเนี่ยท้าวว่าเป็นญาติโยมมากพ้นจะ บ, บ่ยสอนพ้นจะสอนเน้นเรื่องพระอย่างวัดหน้องผือนาใ น, น่นิโดยมากมีพระประมาณสามสิบองยี่สบสามสิบอย่างมักเคล้นมาเทศละเออคลนเทศถึงสามสีถูกอบรมพระแล้วก็นาแ น, น, น่อยู่ในสถานที่ต่างๆกันโดยมากอบรมพระเป็นส่วนมากถ้าทานญาติโยมเนี่ยฟังเข้าไปพวกค่อยเข้าใจหรอกแต่พระเนี่เข้าไปได้วซึ้งในธรรมะของเพลิน หลวงพอว่าหลวงปูมันเนี่ยเป็นเป็นผู้มีอนาคตตังสา ย, ยานเป็นผู้มีอนาคตโคตครไขวววมังการไกลถ้าว่าเพิ่นนักหรือว่านักในการเทศญาตโยมไปใส่มีต่เทศญาตเทศโยมบารุ่มมาตุ่มามารุ่มปตุ่มญ า, าติายาโยมเขามีธุระการงานมากแต่ยังไงลึกซึ้งเหมือนพระน่ยก็คงจะลึกซึ้งในยากคงจะได้เป็นบางคนแต่สําหรับพระเนี่ยเพิ่นเน่นนักเอาลิเพนเค้นเอาจริงๆ คนจะจะสอนให้พระเนี่ยเป็นผู้นําเป็นผู้นําของชุมชนเป็นผู้นําของพระเพราะฉะนั้นเพื่นจึงเน้นเรื่องพระในยุค ข, ของหลวงปู่หมันเมื่อเมื่อหลวงปู่หมันมรณภาพลงไปใช่ไหพระสงฆ์ทั้งหลายกระยุนด้วยความเงียบต่างองค์ก็ต่างอยู่ปิดเงียบเออต่อมาณนั่นหลวงปู่ลี่วัดอโศการามดังก่อนเพลิน ดังขึ้นมาทางภาคกลางพ่อดังขึ้นมาเนี่ยต่อมากระหลวงปูกงมาดังต่อมาหลวงปูฝัดดังต่อมาดังทุก ห, หัวไหลแหงเม็ดหลวงปูแหวนหลวงปูตื่นหลวงปูเทศหลวงปูอ่อนหลวงปูหล่าที่เป็นศิษยานุศิษย์ของหลวงคู่บาอาจารย์ในสมัยที่เป็นศึกษาด้วยกันเพราะนั่น ประเทศไทยจึงมีแต่ชิ์หลวงปู่มั่นดังทุก ห, ห, หัวและแห่งเพราะเหตุใดสรุปแล้วที่หลวงพ่อได้พูดว่าหลวงปู่หลวงปู่มั่นเป็นผู้มีอนาคตตังสียาหญ่รู้อนาคตว่าจะ ส, สอนแบบไรสิเหตุแบบไรที่กว้างขวางคือค่ายว่าสอนคู่จะก่อนสอนให้ลูกศิษย์ลูกหาเป็นคู่บาอาจารย์เมื่อเป็นคู่บาอาจารย์แล้วจ ะ, จ, ะจะนั่งทําคําสอนของของเพลิน ไปประกาศไปเผยแผ่อให้แกซิดยาลุซิดของเจ้าของในเป็นตะจุดตะจุดตะจุดเวลัม ah ันดังเล็ดดังไปทั่วทุกหัวและแหงอย่างพวกเราทันทั้งหลายได้ยินลงปูฝันเป็นลูกซิดไผ่ลุกงปูหมันลงปูเถนเป็นลูกซิดไผ่ลุงปูหมันลงปูขาวเป็นไผ่ลงปูอ่อนเป็นไผ่ลงปูมหาบัวคือไข่ล้วนแล้วจะเป็นลูกซิดลงปูหมันทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ลงตามหาบัว แล้ท่านเคารพหลวงปู่มันเนี่เยเคารพอย่างสุดๆมีเท่าไรมีสั ก, กเปอร์เซ็นต์ในใจของเพลินเพลินทุ่มเทให้ ห, หลวงปู่มันทั้งปดเนี่แหละเพลินเคารพหลวงปู่มันทั้งที่เพลินเป็นมหาก่อนที่เขาเพลินจะเข้าไปเลี่ยนไปศึกษากับหลวงตาอกับหลวงปู่มัน เ, เพลินไปแง้มขึ้นคำคำอันนั้นไม่ไผมากเ่ยผมผมมาผมไมนไผไผก็มีผมตัวอะไม่ไผ่กับผมมาหาบัวครับ เออจังสั้นไหมบ้านนายเพิ่งกัสอนลงตามหาบัวมหาที่จะมานเลี้ยมาศึกษากับเราเนี่ยความรู้ของท่านที่เลี้นมานนะได้เป็นมหาเน่ะให้เอาเขาใส่ใส่ตู้ใส่เห็บไปก่อนนะอย่าออกมาอย่าออกออกมาใช่ให้เอาใส่เห็บก่อนถ้าหากว่าท่านพระวนายึดใจเป็นไปแล้วนั่นแ่ะถ้ำที่แตนเลี้นม่านนั่นแหะมั่นที่เขามาน เรียงลําดับให้ฟังแต่ถ้าว่าเดี๋ยวนี้ท่านพ่อพาวนาไปแด่เนยอ่างตํารับอ่างตําลามันเตรียมมิต่เรื่องยุ่งเยิงวุ่นวายนะมันจึงพอสงบเพราะนั้นที่ได้เลี้ยนมา่น่ะให้ท่านเอาเขาตูไว้ก่อนให้ท่านบริกรรมพุทธโธนะให้ท่านภาวนาพุทธโธอย่างเดียวนะอย่าอย่าอย่าคิดอย่างอื่นนะเอาพุทธโธอย่างเดียวน่ะให้เชื่อเฮ้งเงี้ยแหละอันนี้หลวงปูหลวงตามหาบัวเพิินกง หลวงปู่หมันสอนหลวงตามหาบัวในวันแหละที่ได้เจอกันเน่แหละอันนี้ขอให้พวกเฮ้าท่าน ท, าานาาทาาั้งหลายคณะสัตทัาญาติโยมทุกมูเราหลวงปู่หมั่นเพิ่นสอนอย่างเพิ่นยังสอนจิตสอนใจสอนเป็นทีประทับใจสําหรับศิษยานุศิษย์ทั้งหลายอันนี้พวกเฮ้าคณะสัตทัาญาติโยมเขาคงอยากจะเรียนรู้และอยากจะศึกษาแต่ในรักของพุทธศาสนาหลวงพ่อจะเปรียบเทียบให้ฟังนะ เปรียบเทียบไปฟังคือพระพุทธเจ้าของเฮ้าเนี่ยพระโคตมะพระพุทธติชิพนิทัศลูปเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแต่ตะโกนเพิ่งกับเป็นพระเจ้าแผ่นดินกุงกบิลพัทข้องราชโยนยุยยี่สิบเก้าปีหนีไปบวชเพราะเห็นอะไรจังนีไปเพราะเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นสมณะเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายหลือเห็นสมณะสมณะอรรมะคือขึ้นนักบวชคือพระ พณ์บอกว่าทหารว่าเข้าอยู่ในเวียงว่างบริหารจัดการอยู่นี่จะมิมีโอกาสที่จะมาคิดปรับปรุงแก้ไขในใจของเจ้าของว่ามีจะค้นหาวิชาความรู้คื้จะบอกว่ามีวิชาเพราะฉะนั้นเพณ์จึงหนีออกไปบวชเอาตัวอย่างคือสมณะที่นักบวชที่นั่งคัดสมาธิคันว่าเข้าในนั่งสมาธิแบบนี้อยู่ตลอดเนี่ยเข้าคงจะ มีช่องมีทางที่จะหนีออกจากกิเลสหนีออกจากบกเกิดไปบกแก่บกเจ็บบกตายใดอันนี้แหละผลจึงขโมยหนียมำมาขึ้นพ่อขนมยหนีไปแล้วไปอยู่ไปถึงแม่น้ำอโนมาณที่คู่เมื่อนี่ยเขามันเขาบอกว่าเขามาจากกรุงกบินลพัทนะไปถึงแม่น้ําอโนมานาทนะีห่างกันประมาณสองรอยกว่ากิโลนะแสดงว่ามาขันตะกะกับนายช น, นะ จิทธาตุเนี่ยนั่งขี่มาต้นนั้นไปเนี่ยมาต้นนั้นมเมนทรพมดาหลวงพ่อว่ามาที่เป็นมีกําลังที่แข็งแรงมากแห่นแหลนจากเมืองพุน่ะเออตั้งแต่แม่น้ำโขงเมืองหนองคายมาไงจดหอดเมื่อขอนแก่นเออประมาณสองร้อยกิโลมันโมเมนธรรมดาทต น, นี้พอถึงแม่น้ำมโนม่านนาที่เสร็จแล้วเพิ่งกับส่งผนวดคือบวชเออจะว่าลื่นสีกระเม็นที่ส่งผนวด ตัดพมูรีตัดผมโดยพระแสงดาบจากนั้นก็มอบบริขารให้ในายชนนะว่านายชนะได้บริข า, อารอาชนะกับนะเราจะอยู่ตามลําพังนี่คือเจ้าน้าที่สัง่งลูก น, อนก้องจะอยู่ใดจะไหนลูกเจ้าหน้าที่ลูกน้องก็ต้องหอบของได้แล้วกลับมาเลยเออสิกีบหรือสีจูงก็โบโมโหละ่ะพอในสุดมาพอเห็นเจ้าของขีหลังกันเลยแตกอกแตกตาย น่ายชั้นนาเกิเดเฮตยังไดละบาทขมันคุ ม, มือปนยังมีชีวิตอยู่เฮ้าปฏิท่องพวกเฮ้าปฏิรงถามถามขื้นกันเนะี่ยท่านชั้นนาเมื่อมาตายและทัดยางคือท่านเฮตยังไดคือท่านขีมาตัวใดมาเฮ้าปฏิถามอันนี้มันชุดพิเัยแต่ถึงจะได้พ้นพ ก, กรักำมา ถ, ถึงกลุงกบิละพัดได้ปน ก, ก็มาแย่งข่าวว่าสิทธิฐานบวชแล้วแต่ใ น, นพระพุทธเจ้าขวงเฮ้าสิทธิฐานเนี่ยมันก็อยู่ตามลำพัง ล่องพิดล่องถูกล่องถูกล่องพิษเหมือนกับทดลองวิทยาศาสตร์จังสันละ่ะเพิ่นทดลองจึดตั้งหกปีพระพุทธเจ้าทดล่องหกปีจากนั้นพร ะ, พ, ระพุทธเจ้าได้สําเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนาคือวันเดือนหกเพนเวันเดือนหกเพนเป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ท่านตรัสรู้อย่างไงอันนี้พวกเขาก็อยากจะงูจักจั่งกันว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อนั้น พ, พ้นเหตุจังใด วันเดือนพุ่งเพ่นพระพุทธเจ้ากันบอกว่าเพิ่นตรัสว่าตอนพระอาทิตย์ยังไม่อัจฉริคงคือพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินนายโสติยะได้นำหญ้าคาแปดกำมือผ่านมานายโสติยะได้นำหญ้าคาถวายมอบให้แก่ท่านชิตถาเมื่อชิตธาได้หยาค่ามาแปดกำมือเพิ่นกรหาที่ปู่ปูเพิ่นกรหามุ่ม ที่จะปูเพิ่มมุมไปถูมุมตนพ่อพุทธกย่าตนะ์ปูทั่งทิศตะวันออกมุมตนพ่อท่้งทิศตะวันออกจากนั้นพ่อเกียรหยาค่าล่วงเรียบร้อยแล้วพระพุทธองคงก็ขึ้นเป็นนางนางบนบนหิยาฆ่าเป็นอาสนะของเพิ่นหันพระพักไปทางทิศตะวันออกหันพระพักไปทางทิศตะวันออกจานั้นขาขวาทับขาซ้ายในขณะนั้น พระอาทิตย์ยังไม่อัดสดงพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินเลยคุว่าพระอาทิตย์ยังค่อยๆว่าคงพาดไปไม่จากนั้นพระองค์ก็นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในร่มหายใจเข้าออกนั่งในขณะนั้น พ่อจิตของพระองค์บอกคิดถึงอดีตคือบอกคิดถึงเมื่อวานเมื่อก่อนบอกคิดถึงอนาคตใจอยู่ในปัจจุบันที่ปลายจมกูกที่กําหนดลมหายใจเขา่าให้ใจออกอใจนิ่งให้ใจกําหนดอยู่ที่ปลายจมูกนั่นเมื่อใจของพระองค์บอกคิดถึงอดีตบอกไปเทศในอนาคตดูในปัจจุบันขณะ น, นี้เดี๋ยวนี่เวลานี่ที่ปลายจมกูกจิต ใจพระไถยของพระ อ, องค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งร่วมจิตร่วมพอร่วมสงบปุ๊บลงไปแล้วพระ อ, องค์เกิดญาณทัศน์เกิดชาติเพราะนั้นเรื่องสมาธิกับชาติอันไหนเกิดก่อนกันสมาธิต้องเกิดก่อนชาติชาติเป็นผลใดเป็นผลพลอยได้จ า, ากสมาธิสมาธิจิตใจสงบแล้วร่วมแล้วจึงเกิดชาติญาณทัศน์พระ อ, องค์ก็น้อมนําชาญญาณทัศน์ลําลึกชาติทุหลัง ปุเพในวาสานุจติยานละลึกชาติทุหลังได้เนี่แหละขอให้พวกเข้าคณะสัทธาญาติโยมทุกโมเรานะรักของพุทธศาสนาเนี่ยตายแล้วบวสุลตายแล้วเกิดอี ก, พกเพราะพุทธเจ้าพูดมาเพิ่นละลึกชาติทุนหลังได้คาบบเนเาว่าบอมี่มือวาดเพิ่นจะละลึกได้จังไดบ่มมีชาติกรเพิน่นจะละลึกได้จังใดชาติก่รมันมีชาติก่รเพิ่นยึงละลึกชาติได้จังว่าปุเพในวาสารุสติยานละลึกชาติทุนหลังได้ อตอนหัวขับเบื้องชาติของเจ้าของชาติที่แล้วเป็นหยังชาติก่อนมันเป็นหนังเป็นหยังเพิ่นละเลิกชาติเรามาจากไสอหนชาติที่แล้วมันเป็นจากไดนเพิ่นก็หู้จักเพิ่นเบิ้งเจ้าของก่อนที่แหลกเรียกว่าปุเพนิวาสารุสติยานเบื้งเจ้าของพ่อถึงเคียงเคลเื่อนจุตูตตปะ ป, ป, ป, ปตาตาญาณเบิ้งผู้เอินบาดเนีเ่ย บังผู้อุ่นก็ยังพวกญาติโยมทั้งหลายเที่แรกก็บังเบังเบังบังหลวงพ่ออินกองหมาจบหลวงพ่ออินบังหลวงพ่ออินกองสิงที่ละนะตัวอย่างนะ <c oughs> บ้านในบังญาติโยมหมดเลพวกที่นั่งนั่งกันนต่อนานมันพวกท่านทั้งหลายทําให้มันเกิดมาเ่ยบุพกพ่บุกขึ้กันเออเรื่องผู้ยิง่งผู้ท่ายกบาวา่านแหละเออเป็นคนเอผู้ยิง่งทําไมเป็นผู้ยิ่งทํำไมเป็นผู้ท่ายทำไม่ไมจึงพิกงพิการ ทำไมจึงรั่จึงไม่จึงฉลาดทำไมจึ ง, งโง่ทำไมจึงบกคื่กันเกิดมาเป็นมนุษย์พระ อ, องค์ก็เบิรงอีกเบิรจความเป็นมาของแต่ละคนนีออ่นีกว่าจูตูปะปาแต่ยานการเกิดการตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นมาจากไดนจึงเป็นยังสิพระพุท อ, องค์บอกว่าพ่อเบิ่งไปแล้วพันวักกรรมกรรมคือการกระท่ำขั้นภรรยาเหตุกรรมซัวมาเกิดพบนิสต่านี้กระซัวเออพอเกิด จะว่าเกิดชาติที่แล้วสอบขาสัตว์ี่ยสอบขาสัตว์ตัดชีวิตพอมาเกิดชาตินี่ชีวิตมันกระสันมันตายเร็วเมื่อชาติที่แล้วมันชอบรัางแก่ซั์เห็นสัตว์เห็นขู่เห็นข่นมิตรทุบมิตรตีเป็นของสนุกมาเกิดมาพบนี่ชาตินี้ทุกพนภาพทางร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยเพราะเหตุใดเพราะชอบลังแก่ซั์ชาติที่แล้วเป็นอย่างมันเกิดมาชาตินี่มันยังจนพระพุทธองค์บอก ชาติกรรมันขีดเกียดทําบุญทําท่านอบดบดได้ทําท่าน เ, เกิดมาชาตินี่มันก็เลยบ่บําบ่รวยแต่ไปเมียังคนรวยนี้เปยังยังรวยเออชาติที่แล้วเขาได้ทําบุญกับพระโพธิเจ้าทําบุญกับพระปฏิเจกโพธเจ้าแต่ทําบุญกับพระอรหันต์อันนี้สงฆ์ท่านของเขาเนี่ยผ้ามาเกิดเขาชาตินี่เขาจึงรวยนี่พระ อ, องค์เห็นรวว่าจู่ปู่ป่าแต่ยาน เอดูว่าจิติจตใจของค้นี่มาเกิดเนี่ยอย่างที่หลวงปูบุนมากเพิ่นบอกว่าเน่ยอ้อย่างมาเกิดเนคือวิญญาณคือใจเข้าไปปฏิสนธิเอใ น, ในทองแม่ออกมาเนบ่มียักษ์มีแต่ตัววิวญญาณเนี่ยเขาไปตึกไปตื้ไปตื้ตสชนทิคือการขับเฮ้าเนี่ยเฮ้ามีเงื่อนเข้าไปแล้วย่างเข้าไปในอูรดเขาไปใหมองเขาพลนะิศรถน่ะเข้าไปแล้วเฮ้าก็ไปซื้อลดลดเขาไป เข้ากับขับรถออกมาเลยเออแต่เนี่ก่อนเข้าจีดารถคั้นีอเข้าต่องมีเงินจั ก, ก่อรรดิในบมันทีทะเลาทะลาะเข้าไปแล้วบูมีเงินเขาก็ไล่ออกรถ ล, ละ่ะนี่แหละอันนี้ผูมิเงินจกกักรวรรดเข้าไปเข้าไปไปขับรถออกมากในเมื่อขับรถออกมากแล้วก็นเลยเออต้อตงถนนถนอมแล้วบ้านีลยเติมน้ํามันเออเติมแบตเตอรี่ต้องดูตรงแล่นนี่แหละ อันนี้คือเฮ้าขึ้นกันออกมาจากท้องแม่แล้วก็แม่พ่อทีแรกเขาก็สอนวิธีการขับรถไถจักรแม่นมนเฮ้าพระานุจากฝีที่ได้อพอแม่ก็ต้องสอนสักว่ากินยังสั่นนะลูกนนอนยังสี่นะลูกนะน อ, นนนนะอพอแม่สอนก่อนสอนวิธีขับรถพ่อเขามาใหญ่ขึ้นมากกว่าเฮ้าก็ขับเองละบ้านดูแลเองโหลดรถของเฮ้าได้แต่บางคนคอก็พ่อดูแลเองมันเพลินไปบ้าน มีแต่คี่รถมืดหมืดมืดขี้มีแต่เที่ยวมีแต่เทียเท่ยวมีแต่เห่นทำมาเล่เท่เมาไปเลยโมโหจักหาเงินใส่กระเป๋าเจ้าของคิดว่าเจ้าของจะใส่รถคันนี้ไปนัน่นเท่านาน่นก่ไปเหมือนจะจะเป็นมือใดละ่ะว่าจะใส่มันนัน่น น, น, น, นั่นพอในโจทย์มันโมเป็นอย่างทีวาเลยบางคนก่อนพถึงเออพอประเดี๋ยประเด้งก่นอนเน้ย่ะรถคันนี้ก็พังนะโต๊ถนนละบานีเออเบรกแตกเออบางที่กั ไ อ, อ้ยังมันเสียหายขั้นเสียหายบางอย่างกับพ่อศิษ่สอมได้สอมได้ก็คือเขาโรงหมอรักษากันมันก็นดีแต่บางบางเทือนมันส้นจนมุนอุ่ยปุ๋ยในเนื้อบ้านนี่มันศิษย์สอนจางไหนก็ถิ่มทางเนื้อบานนี่แต่โซ่เฟอร์พ่ตายเนี่ในรักของพุทธศาสนาเนี่ยป้าซาผีไอ้ป้าซารวงใจบม่มีแต่ป้าซากายเพราะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาแหละเพราะว่าเมื่อพระพุทธเจ้าไปค้นคนว้าศึกษาเบงแล้ว น, นะ เป็นนั่งสมาธิเบิ่งแล้วเพิ่มเบิ่งแล้วมีอยู่สองอย่างในในตัวของเฮ้านี่มีอยู่สองอย่างคือกายกำจ่ายมโนปุพังขมาธรรมามโนเสถามโนมายาเป็นว่าเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหนา้าสําเร็จแล้วด้วยใจร่างกายนียคน่คือกันกับรถส่วนจิตใจคือกันกับค้นกับรถแต่มันอาศัยกันอยู่ขั้นว่าร่างกายว่ามีใจ ไกไก่วันนี้มันก็ไปบัวได้ที่เบาจุดอะไรคือหน้ามันําคือนาาอใจเป็นผูเป็นผูผ้าเบาเป็นผูมาใส่สมองแต่พวกเฮาท่านทั้งหลายนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายการแพทย์กดีกานั่งไหนก็ตามที่เขาคนความศึกษาเขาว่าสมองแต่หลักของพุทธศาสนาที่เป็นว่าใจใจมาใส่สมองอีกที่นึงเป็นผูบังคับสมองให้สมองคิด สมองก็คิดแล้วก็สร้างการใจเป็นผูบังคับให้สมองเป็นผูสร้างการนี่คือการกับเท่าไปเล่นคอมพิวเตอร์นั่นแหละเปิดคอมปอดเปิดซอฟต์วร์คอมพิวเตอร์เท่ากักดคอมพิวเตอร์มันก็ทํางานโมเมนคอมพิวเตอร์ทํางานเองเนยข้นเนยไปบังคับให้มันใส่ใส่คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ยังคอยทําการทํางานได้นี่แหละอันนี้คือการักของพุทธศาสนาเนี่ยผลวัดใจแต่ม่อม วิทยาศาสตร์เน่ยเขามองบ่เห็นแต่ลักพุทธศาสตร์เนี่มองเห็นที่จะมองเห็นได้เพราะอย่างอย่างที่หลวงพ่อเรยว่านนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดำํำรงฉ ะ, ะติเฉพาะหน้ากำหนดกำหนดลมหายใจเขาหายใจออกนี่แหละขั้นจะหูจักว่าตายแล้วเกิดหรือตายเราสูญให้นั่งภาวนาเนี่ยแะคือรักพิสูจนจากนั้นหลวงปู่หมั่นของเฮ้าบ้านหลวงปู่เสาหลวงปู่หมัน ที่มาสอนสิทธิญาณุสิทธิ์ของเพลนคู่บาอาจารย์สายลงปูหมันเพลนจะแนะนําว่าให้ภาวน่าพุทธโธนะหายใจเข่าพุทหายใจออกโธกันกําหนดล้มหายใจยังบกพุทธเจ้านั่งสมาธิเราขาขวาทับขาสายมือขวาทับมือสายกำหนดล้มหายใจเข่ารัวหายใจเข่าหายใจออกรัวหายใจออกมั่นสั่นพดมั่นรุดออกง่ายง่ายให้บริกรรมหายใจเข่าพุทธหายใจออกโธหายใจเข่าพุทธหายใจออกโธ ในเมื่อบริกรรมพุทธโธเวลาเดินขาขวาพุทธขาซ้ายโทธเดินอย่างโกมนะเวลาเี่จะปัดกวาดแย่งก็ตามเวียงขวาพุทเวียงซ้ายโทธให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดในการเคลื่อนไหวของเจ้าของนี่แหละอันนี้แหละคือภาวนาในเมื่อเข้าเห็นอย่งจีิแล้วเข้าจะรู้ได้ว่าร่างกายกับใจเป็นคนละอันกันชัดเจนตัวที่จะพาไปเกิดในบกพลเวียนตายเราเกิดคือใจ ร่างกายเนี่ตายแน่าอนว่าเป็นอย่างอื่นเอออีกสักมือหนึ่งต้องเผาไฟฉีงน้ำแข็งมัดทุกคนแต่ว่าใจน้ำมันออกจากร่างไปแล้วเป็นปฏิสนธิแต่ว่าใจดวงดวงนี่แหละนะพระพุทธเจ้ารทวัดจูตูป่าแต่ย่างอย่างที่ว่าน่ะข้านว่าใจบ่ได้สว่างหาบุญใจว่ามีท่านบ่มีศีลบ่มีภาวนาใจไม่แต่เที่ยว กินเหล่าเมายาสุลาหน้ารีผ้าสี่กิฬาบัตอไปสมิตรเทียวมิตรเลนแปลว่าใจตรงนั้นมดกําลังใจดวงนั้นบ่มีทุนใจตรงนั้นบ่มีทรัพย์พอออกจากร่างกายไปแล้วเดี๋ยวเคนบ่มีศรัพย์ก็คือกันครับเฮ้าที่ไปต่างประเทศถึงจัดพอไปหอดเหตุยังไงวะคุณจะไปประเทศไหนเออคำนี้เฮามีเงื่อนเฮ้ากับพ่นแล้วจะไปประเทศใดก็ได้ในโลกกัเนเฮ้ามีเงื่อนได้ คัน บ, าาบ้าห้าบผมมีเงินละบาท น, นี้่อจะไปประเทศล่าก็ยังไปบ่ได้บาท น, นี่ยอพอตายเพื่ออะไรก็พุ่นเวียน ก, ก, ก, ก, กุกกุกกะกะอยู่กับผีกับนอ่องกับหลุกกับปานเพาะเผอไปห้าหลอกอไปห้าหลอกพวก น, นี้แล้วว่าผีหลอกค่ะเพราะเหตุใเพราะมันเป็นเปรตมันไปบ่ได้มันบ่มีบุญคนบ่มีบุญมันเป็นง่ายสั้นเพราะนั้นเพราะพระเจ้าพณบอกว่าให้สร้างบุญสร้างกุศลเนะตายแล้วบ่อสูงนะตายแล้วเกิดอีก อยากจะหู้จักบรรดาล้วเกิดให้นั่งพาะวนาทําจิตใจให้สงบขันว่าจิตใจสงบแล้วจะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องถามไพอขันว่าจิตใจเม่อท่านสงบเนี่ยจะไปขาดกันแน่จะไปเดาเอาเอาจะไปขาดการเอ า, เอาบ่อใดทั้งที่พระธรรมขามสอนของเล่ามีแต่ผูกปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้ธรรมะเนี่เป็นปัจจัตตังค์พอรงขอให้พวกเขานณะนจะท่ายัดโย้ม ทุกโมงทุกเล่านะที่ให้สร้างสมบุญกุศลจะต่างอยู่ในความประมาทถ้าตายแล้วมันบมดศูญย์อย่างที่พ่อแม่ผู้บาอาจารย์อหรือทําคข้าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพันได้บอกได้กล่าวเอาไว้ข้าว่าสายหลงปูมันจะเป็นองค์ไดก็ตามถามมังรอดเนี่ยยังถามหลงปูที่ปรนเทศเมื่อกี้หลงปูมันมากหลงปูใหญ่เฮานี่ถามมังโรดหลงปูตายแล้วเกิดได้ตายแล้วศูนนะ เพิ่นจะบอกยืนจันได้เลยเฮ้ยตายเราเกิดมาถามหลวงพ่ออินก็เถอะหลวงพ่ออินก็ยืนจันเหยตายเราเกิดเพราะเหตุใดเพราะอย่ า, ายงที่หลวงพ่อได้บอกเนี่ยเวลานั่งภาวนาจิตใจสงบลงไปกึ๊บลงไปแล้วจะรู้ได้ด้วยตนเองเลยกายกับใจมันคนละอันกันชัดเจนเลยมันโมเมนอันหนึ่งอันเดียวกันเอาร่างกายก็คือร่างกายใจก็คือใจคือกันกับใครใครอยู่ในจานย์เถอะนะนึกก็ หือหลวงพ่อได้เปรียบเทียบว่าโซเฟอร์กับรถทั้งจ่นรถกับโซเฟอร์ทั้งจานมันเป็นคนละแนวกันชัดเจนถึงขนาดนั้นล่ะอรถมันไ่เป็นโซเฟอร์โซเฟอร์ม้องโมไม่รถแต่รถที่ไปใดก็ต้องอ่อนใส่โซเฟอร์อันนี้คือกันร่างกายจะเป็นไปใดก็เพราะอาจจะใจอแต่ว่าการลดเสียบานทรถน้ามันเหมือดแบตเตอรี่มันเหมดสายพานมันลุดทังสิ้ หมอน้ามันแหงเลยโซโฟเฟอร์จีดีมันได้ก็ตามสิฝี่มือเก่งมันได้ก็ตามขับรถไปขับรถข้นอันนั้นอาลงไปมันขับบอ่อได้พอ่อะเหตุใดพอรถมันเสียรถมันพิการอันนี้คือกันขั้นหัวใจของห่อนะบังคุบบังมีหูมีตามีแข้งมีขาโยดแต่เลือดไปเลี้ยงหัวใจบอพ่อเท่านั้นแหละมดเลยวันลงไปหัวใจเศร้าเต็มยุทธเท่นานั้นแหละมดเอ้อสี่ขยับปันได้ก็ขยับเถอะพราเหตุใด เพราะว่ามันมดสภาพร่างกายมรสภาเป็นยังไงมดสภามีแต่เนาลูกเดียวขันบอไปฝังขันบอไปเผาเผาไฟเพราะนั้นลักของพระพุทธศาสนาเน่เิ้วาเอยซีมันที่จะออกจากล่างหนึ่งคือใจเอ่สำเร็จโดยใจมโนภูพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นไงมีใจเป็นหัวหนาสาเร็จ้วยใจ อกต่งรุกกตังเส้ยโยปชาตปฏิทุกรตังกรรมชั่วอย่าทำเสลยดีกว่าพอกรำชั่วเมื่อทำแล้วกรรมชั่วจะให้ตนเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะไหนทำแต่กรรมดีนะ่ให้สร้างแต่บุญแต่กุศลหนะ่าอย่าไปเห็ดแนียมันบอดีอย่าเผ็ดเนียมันชั่วการมันชั่วแล้วตัวเองจะเดือดร้อนจังเมื่อนี่แล้วปลุกปับมาโมโหเกิดมาบิดฝึกฟันหัวเขาเขามเนี่ย ช้าใจโยของแล้วถึงฟันหัวเขาเหมือนีแต่มืออือนลองล่องมื่อตรวจไล่จับปานเออมื่อต่อไปก็ไปอยู่กอซ อ, อยู่อ น, นกงขังไปอยู่ในตลรางพยาบาล เ, เพราะอย่าได้เพราะตัวเองไปทํากรรมชั่วหมู่ว่านหมู่กรนไปฟันหัวเขาแต่บัตรนี่กรรมชั่วแต่นั้นพาตัวเองไปตุกเตะคุกนี่คือกันคันว่าเฮ้าเหตุกรรมชั่วชาตินี่เฮ้าบริเชื่อเฮ้าเห็ุเมื่อเ่มันชั่วนั่นแหละเมื่อตายไปแล้วนั่นล่ะ กรรัวแตนั่นเถี่ยวผ้าไปซูวทุกขติพนันหอยขอให้คณะสัทธาญาติง้มลูกหลานทุกขู่ทุกค้นหน้ายาตั้งอยู่ในความประมาทให้สร้างสมคุณงามความดีให้สร้างสมบุญกุศลก่อนจะรับจะ น, นั่งเขวายพระโสดม่นอรหังสวากาตสุปฏิปัโนนะโมจตสาพุทธังธรรมมังสังขังเจ้าก่อนจะค่อยรับคอยนอนและก็แพร่เมตตาในใจแพร่เมตตาบอกเขาผูต้องบอกอหังสุขิโตเมินิทุโหม เออเทาทองบ่ใดเท่ากัว่ า, วานึกในใจข้าพเจ้าต้องการความสุขจังไดภูอื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไตโลกระถาดก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาด้วยเทินอันนี้แหละคือแผ่เมตตาเป็นภาษาใจว่ต้องว่ต้องบอกเป็นภาษาบาลีบอกเป็นภาษาใจจังสีเพียงเทเนก็พ่อนี่ยนั่นแหลคือภาษาใจ ข้าไปเจ้าต้องการความสุขยังไดผู้อื่นชัดอื่นก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าไปเจ้าต้องการอย่างที่ข้าไปเจ้าปรารถนาอันนี้ก็คือทุกคนจะเบียดเบียนกันคข้าไปเบียดเบียนเขาจะมีความสุขใดจังไหนเขามาเบียดเบียนเฮ้าขึ้นกันเฮ้าจะมีความสุขใดจังไหนเฮ้าก็บอเบียดเบียนคนอื่นบอกขีดเบียดเบียนผู้อื่นบอพูนเบียดเบียนผู้อื่นบอกทำอยังนี้จะทำให้เบียดเบียนผู้อื่นในผู้อื่นถล่ะ ด้วยการกระทําของเฮ้าอันนี้แหะขอให้คณะชาติญาติโยมลูกหลานเนี่ยการพูดด้วยการกล่าวสัมมบ ท, ทนิยกถาในวันนี้ที่พูดเป็นภาษาทองทินของเฮ้าเพื่อฟังง่ายก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาโดยอํานาจคุณภาษีรัตนตรัพพยพระพุทธเจ้าพระทับประสงค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายกุ่มข้องขอให้คณะชาติญาติโยมทุกข์ข้างหลายจงประสบแต่ความสุขความเย็นใจ ปรารถนาจริงใดอยู่ในกรอบขอบเขตของศินธธรรมก็ข อ, ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการเถิด